เรียนหนังสืออยู่เทคโเรียนบ่อสายได้สามปีพอจบปสองตอนนั้นทราบว่าพี่ชายคนโตคือพี่สุมเมรไปบวชเป็นพระอยู่ที่วัดภูตะบันพศตำบลชะแลอำเภอสิงหันคนครจังหวัดสงขลาโดยคำขอร้องของปู่และยาข้าพเจ้าอยู่ที่บ้านตากแดดด้วยความลำบากและอดทน